ทำอธิบายเรื่องทิฏฐิจิตทิฏฐิผู้ตังจิตเดิมแท้อ่านโดยอริยะคุณชมรมผลดีจัดทำโดยวิวัตยองเอ็นและนงรักสุววเรื่องทิฏฐิจิตเป็นหัวข้อสำคัญในการแสดงธรรมของหลวงปู่มั่นและมีกระจายในบันทึกคำสอนหลายแห่งบทความนี้เป็นการรวมคำอธิบายเพิ่มเติมจากพระอาจารย์จวนกุลเชโต และพระอาจารย์มหาบัวยันสัมปันโนซึ่งเป็นสิทธิ์องค์สำคัญของหลวงปู่มั่นพร้อมคำถามตอบเกี่ยวกับเรื่องถีติจิตโดยพระอาจารย์นรงศักดิ์ขีนาลโยที่น่าจะเป็นประโยชน์และสร้างความกระจ่างให้กับทุกท่านยิ่งขึ้นพระพุทธองค์และครูบาอาจารย์แต่ละลำดับนั้นเวลาท่านสอนเศษที่มีปัญญากล้าท่านจะตรัสหรือพูดเพียงสั้นๆเพราะสาวกหรือเิษก็เข้าใจ ดังนั้นการอธิบายให้คนที่ภูมิจิตภูมิธรรมยังไม่ถึงระดับหรือคนรุ่นหลังหรือคนทั่วไปจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอธิบายเพิ่มโดยละเอียดดังเช่นพระมหากัจยนาเทระผู้ได้รับคํารับรองจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศทางด้านสแสดงธรรมโดยย่อให้พิสดารคือโดยละเอียดและทรงรับรองการอธิบายเพิ่มนั้นว่าถูกต้องอัจถามว่าทําไมไม่ทรงอธิบายให้ละเอียดแต่แรก เรื่องนี้เป็นการทำงานด้วยปัญญานะครับชีวิตคนเรามีเวลาจำกัดการสอนคนที่ฉลาดให้เข้าใจใช้เวลาน้อยสำเร็จเข้าใจแล้วก็ไปสอนไปอธิบายต่อกันได้เองอีกมากการเพิ่มครูผู้สอนแทนจึงจำเป็นเร่งด่วนกว่าดังจะเห็นได้ว่าหลวงปู่มั่นท่านก็จะให้ความสำคัญกับสิทธิที่มีแววกนจึงมีผลให้ได้สิทธิคุณภาพและเผยแผ่ต่อผู้คนทั่วไปในวงกว้างได้อีกมาก ในทางความเป็นจริงแล้วคำว่าพุทธวจนะไม่ได้หมายถึงแค่คำที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เท่านั้นนะครับแต่รวมถึงคำสาวกที่ตรัสรับรองหรือการรับรองคุณสมบัติเช่นเป็นเลิศทางการแสดงธรรมโดยย่อให้พิสดาร น, นั้นแสดงถึงว่าคำของพระมหากัจรณะเทระเชื่อถือได้ทั้งหมดเพราะถ้ามีโอกาสอธิบายเสริมผิดจะไม่ถูกตั้งในตาแหน่งเอตัทัคคาทางด้านนี้เด็ดขาด การรับรองคำสาวกนั้นปรากฏจำนวนมากในพระไตรปิฎกตรัสว่าถูกต้องถ้าเป็นพระองค์ก็จะตรัสเช่นนั้นในบางคราวก็ยังตรัสเสริมด้วยว่าควร น, นำไปท่องจำปฏิบัติแม้ครั้งนั้นจะเป็นคำจากสาวกที่เป็นคารวาสอย่างจิตตขาขหบดีก็ตามในทางปฏิบัตินั้นพุทธวจนะ ควรรวมถึงคำสอนใดก็ตามที่อยู่ในหลักของพระธรรมวินนยไม่ขัดแย้งทั้งสามปีดกและสิ่งที่ส่งให้กุศลเจริญอกุศลเสื่อมเป็นต้นซึ่งตรัสหลักในการพิจารณาไว้ครบถ้วนแล้วว่าแบบไหนจึงควรยึดถือมาปฏิบัติซึ่งหลักที่ส่งให้ไว้นั้นก็ทำให้แม้ไม่ได้ตรัสโดยตรงที่ในทางคมภีกรณีที่พูดถึงว่าให้ยึดถือพุทธวจนะจึงไม่ได้ปลาตรงตัวว่า หมายถึงถ้าพระองค์ไม่ตรัสก็จะไปมาว่าไม่ใช่พุทธวจนะไปทั้งหมดไม่ได้กรณีคำสอนอื่นที่รวมลงในพุทธวจนะได้นั้นอยากยกตัวอย่างการสอนเลขเมื่ออาจารย์สอนวิธีบวกลบคูนหารและสอนสุคูณให้ในเบื้องต้นพร้อมตัวอย่างวิธีการคำนวณในเบื้องต้นให้แล้วจะมาบอกว่าการคำนวณ น, นั้นต้องทำตามแค่ตัวอย่างเท่านั้นสตรคูณสอนมาแค่แม่12เท่านั้น ถ้าเลยกว่า น, นั้นถ้าไม่เหมือนตัวอย่างที่มีมาก็ถือว่าไม่ใช่คําสอนอาจารย์ไม่ควรยึดถือไม่ถูกต้องถ้าคิดแบบนี้คนปกติมีปัญญาแค่พื้นฐานไม่ต้องฉลาดอะไรมากนะครับก็จะเห็นได้ชัดว่าเป็นการเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเพราะท่านเพียงให้หลักไว้ตัดสินเพื่อไปคำนวณกันต่อได้ถูกต้องถ้าจะให้สอนให้แสดงทุกการคานวณมันเป็นไปไม่ได้ ต้องใช้คำภีกี่ล้านหน้าถึงจะพอจดบันทึกชีวิตทั้งชีวิตก็ยังพูดการบวกเลขทีละตัวให้ครบทุกตัวไม่มีทางเป็นไปได้เลยเหมือนพระวินัยที่ข้อยกเว้นข้อห้ามต่างๆท่านจะแสดงครบไม่ได้ตราบเท่าที่ยังไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ยังไม่บัญญัติวินยัยแต่ก็มีหลักสําคัญเพื่อการตัดสินที่ถูกต้องอยู่แล้วว่าควรยึดถือแบบไหน จึงอยากให้ท่านที่มีเจตนาดีและปรารถนาดีต่อพระศาสนาและตนเองได้เข้าใจถึงหลักเบื้องต้นเหล่านี้ว่าคำอธิบายของสาวกก็จําเป็นมากเหมือนกันเพราะยุคสมัยเปลี่ยนไปการเลือกคําให้เหมาะสมกับเวลาสถานที่ผู้คนภูมิประเทศแม้แต่สํานวนคําคมการเปรียบเทียบก็ต้องการคนที่เข้าใจโลกในยุคนั้นด้วยเมื่อคนปัญญาถอยลงภูมิจิตภูมิธรรม ต่ำกว่าคนสมัยที่ท่านตรัสในครั้งแรกการอธิบายจึงต้องมีมากขึ้นอย่าลืมว่าแม้แต่ในสมัยพุทธกาลเองหลายครั้งตรัสสอนสั้นๆเท่านั้นนะครับและภาษา voke องสําคัญจึงไปอธิบายให้พระอื่นฟังอีกทีนับประสาอะไรกับยุคห่างพุทธกาลขนาดนี้ในอดีตสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆที่ศาสนาเสื่อมสิ้นอย่างรวดเร็ว ก็เพราะพระสาวกยุคนั้นปัญญากล้ามากตรัสคำสองคาก็เข้าใจกระจ่างดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องแสดงธรรมโดยละเอียดไม่ต้องบัญญัติพระธรรมวินยัยไม่มีการสวดปาติโมกเพราะไม่มีใครทําผิดสาวกผู้เข้าใจแล้วก็ไม่ได้แสดงอธิบายเพิ่มเติมต่อข้อนี้อาจเพราะไม่มีวาสนามาทางด้านอธิบายธรรมนะครับต่อมาพระศาสนาจึงเสื่อมลง เพราะสาวกรุ่นหลังก็ไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรเพราะไม่มีวินัยห้ามไว้พระธรรมก็จดจำกันมาแต่หัวข้อหรือหลักสำคัญโดยไม่มีการอธิบายโดยพิสดารที่สุดก็พากันตีความผิดยึดถือผิดและเสื่อมศรัทธาจากผู้คนจนพระศาสนาสิน้นสย์หมดไปการใส่ใจศึกษาและฟังคำอธิบายจากชั้นสาวกจึงไม่ควรตัดออกทั้งหมด แต่ก็ไม่ควรรีบเชื่อทั้งหมดนะครับเพราะถ้าไม่แตกฉานรอบครอบจริงก็จะโดนชักจูงด้วยสาวกรุ่นหลังที่พาออกนอกทางได้ง่ายเช่นกันควรเข้าใจหลักที่พระองค์ทรงให้เวชชัดตั้งแต่ต้นแล้วว่าธรรมะนั้นจะถูกต้องยึดถือปฏิบัติได้จริงต้องอยู่ในหลักที่ทรงกำหนดไว้เท่านั้นเช่นทาให้กุศลเจริญไม่ขัดแย้งกับเนื้อหาในทั้งสามปิดกเป็นต้นโดยเฉพาะที่ชัดคือ อยู่ในมักแปดหรือไม่อยู่ในหลักของการตัดสังโยชน์คือกิเลสเครื่องผูกมัดไว้กับสังสารวัฏได้หรือไม่สิ่งนั้นทําแล้วเชื่อแล้วเพื่อสลัดความรู้สึกเป็นตัวตนเป็นเราเป็นของเราสลัดออกได้หรือไม่การปฏิบัติภาวนาจึงสําคัญที่สุดเพราะต้องเห็นสภาวะธรรมเบื้องต้นคืออย่างน้อยให้จิตผู้รู้ตื่นจนเห็นจิตทํางานเป็นต่างหากกันจริงก่อนเห็นความเป็นไตรลักษ เห็นความเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ของจิตนี้ก่อนจึงจะเข้าใจได้จริงไม่ใช่แค่ท่องจาไดเท่านั้นนะครับเพราะต่อให้ท่องพุทธวจนะได้ครบท่องพระไตรปิฎกได้หมดทุกตัวอักษรหากไม่บรรลุธรรมจริงก็ไม่มีทางรู้เลยว่าสิ่งที่เชื่อและคิดว่าเข้าใจนั้นถูกต้องจริงชัดแค่ไหนอย่างไรจึงควรเผื่อใจเพียรศึกษาปฏิบัต และอย่าเชื่อมั่นจนสุดว่าใจจริงจนกว่าจะบรรลุธรรมควรหมั่นสำรวจตัวเองตามความเป็นจริงให้เห็นความจริงของกายใจนี้จนถึงที่สุดจึงขอฝากให้ทุกท่านไว้พิจารณาเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองต่อไปนี้เป็นคำอธิบายเรื่องถีติจิตโดยครูบาอาจารย์สามท่านจนร่วมศึกษาทาความเข้าใจไปพร้อมกันเลยนะครับ ข้อความจากเพจหลวงตาในรงศักดิ์ขีณาลโยทิีติจิตจิตเดิมแท้หรือธาตุรู้บริสุทธิ์ในวงเล็บไม่มีอวิชชาไม่ใช่ธาตุดินน้ำลมไฟอากาศไม่ใช่อรูปฌปานเป็นวิสังขารอสังคตธาตอสังคตธรรมเป็นสุญญาตาไม่มีตัวตนรูปลักษ์ ไม่อาจมีความรู้สึกนึกคิดปรึกตรองปรุงแต่งไม่เกิดดับไม่อาจถูกรู้ได้ทางอายตนะภายในไม่มีสังขารผสมปนอยู่เลยแม้น้อยหนึ่งนิดหนึ่งปรมาณูหนึ่งอวิชชาที่ติดมากับจิต ด, ดั้งเดิมเป็นสังขารคือความปรุงแต่งหลงยึดถือจิต ด, ดั้งเดิมหรือทีติจิตว่าเป็นตัวตน เป็นเราเป็นตัวตนของเราเป็นของของเรารั้นเกิดปัญญาวิมุตต ร, รู้แจ้งความจริงขึ้นมาในขณะจิตใดก็จะถอนความหลงผิดที่ติดมากับทีติจิตหรือจิตดั้งเดิมจนหมดสิน้นเหลือแต่ทีติจิตบริสุทธิ์มีชื่อสมมุติว่านิพพานไม่ใช่หลงมีเราเป็นตัวตน ดิ้นรนไปจนพบนิพพานคือพ้นทุกข์แต่จะพ้นทุกข์เพราะสิ้นหลงยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราที่ติดมากับจิตดั้งเดิมจิตดั้งเดิมจึงจะบริสุทธิ์เป็นนิพพานธาตุตราบใดยังมีอวิชชาหลงยึดถือเป็นเราตัวเราของเราอยู่ จิตก็จะยังไม่บริสุทธิ์หรือยังไม่นิพพานโอวาทธรรมพระอาจารย์จวนกุลเช่โถเรื่องทีติจิตทีติจิต คือจิตดั้งเดิมท่านเปรียบว่าอัปปนาสมาธิอัปปนาจิตและทีติจิตต่างอยู่ในฐานเดียวกันแต่มีชื่อต่างกันอัปปนาสมาธิเป็นจิตที่แน่วแน่ลงไปจนถึงจิตเดิมอัปปนาจิตก็เหมือนกันถีติจิตก็เหมือนกันทีติจิตเป็นจิตที่ว่างไม่มีอารมณ์เป็นจิตเดิม เป็นจิต ท, ที่ท่านเรียกว่าประพัดสรแจ้งสว่างอัปปนาสมาธินี้จิตนั้นไม่มีเศร้าไม่มีหมองไม่มีมืดไม่มีมวัวเหมือนพระอาทิตย์ท่านส่องสว่างอยู่แต่ที่พระอาทิตย์จะมืดจะมัวเศร้าหมองเพราะขี้เมฆเข้ามาบดบังพระอาทิตย์ไม่ใช่พระอาทิตย์เลื่อนเข้าไปหาขี้เมฆนี่ท่านเปรียบไว้ในยะหนึ่ง ธรรมชาติของจิตมันเป็นของใสบริสุทธิ์แต่มีกิเลสเข้ามาหมักหมมบดบังจึงได้ฝ้าฟางไปถ้าใช้สติปัญญาชำระให้ดีๆแล้วมันก็จะลงสู่สภาพบริสุทธิ์อีกนัยยะหนึ่งท่านเปรียบขี้เมฆนั่นแหละเปรียบเหมือนอุปกิเลสคือความโลภความโกรธความหลง ได้แก่โลกธรรมที่ไหลเข้ามาทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเลยให้มัวเมาจิตก็เลยมืดแสงสว่างก็ถูกปดบังทีติดจิตนี้ถ้าขาดสติปัญญาแล้วถอนขึ้นมาไม่มีสติปัญญานะเมื่อขาดสติปัญญาพลังเผลอถอนขึ้นมาปล่อยถอนขึ้นมาเฉยเฉยประสบอารมณ์อะไร เป็นกิเลสไปเลยนี่มันจะหยุดไม่ได้มันเผลอสติของเราไม่ดีท่านว่าจิตเป็นของพิศดานมากมายแต่ว่าถ้าถีติจิตตัวนี้ได้รับการอบรมด้วยสติปัญญาดีแน่ชัดแล้วก็ลงสู่สภาพเดิมอันใสบริสุทธ โอวาธรรมพระอาจารย์มหาบัวยาณสัมปันโนเรื่องจิตเดิมแท้จิตแท้นี้ต้องเป็นความบริสุทธิ์หรือสะอุปาที่เศสนิ พ, พานของพระอาหารหันต์ท่านเท่านั้นนอกจากนี้ไม่อาจเรียกจิตแท้อย่างเต็มปากเต็มใจได้จิตดั้งเดิมหมายถึงจิตดั้งเดิมแห่งวัตตะ ของจิตที่เป็นอยู่นี่ซึ่งหมุนไปเวียนมาดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในหลักธรรมว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตเดิมแท้ผ่องใสนั่นแต่อาศัยความคละเคล้าของกิเลสหรือกิเลสจอนมาจึงทำให้จิตเศร้าหมองท่านว่าจิตเดิมแท้นั้นหมายถึงเดิมแท้ของสมมติตังหาก ไม่ได้หมายถึงความเดิมแท้ของความบริสุทธิ์เวลาท่านแยกออกมาปะพัสระมิทางจิตตังพิกเวปะพัสระหมายถึงประพัสดส์คือความผ่องใสไม่ได้หมายถึงความบริสุทธิ์นี่หลักเกณฑ์ของท่านพูดถูกต้องหาที่แย้งไม่ได้เลยถ้าว่าจิตเดิมเป็นจิตที่บริสุทธินั้นจะมีที่ค้านกันว่า ถ้าบริสุทธิ์แล้วมาเกิดทำไมนั่นเนี่ยท่านผู้ชำระจิตบริสุทธิ์แล้วท่านไม่ได้มาเกิดอีกถ้าจิตบริสุทธิ์แล้วชำระกันทำไมมันมีที่แย้งกันตรงนี้จะชำระเพื่ออะไรถ้าจิตผ่องใสก็ชำระเพราะความผ่องใสนั่นแหลคือตัวอวิชชาแท้ไม่ใช่อื่นใด ผู้ปฏิบัติจะทราบประจักษ์ใจของตนในขณะที่จิตได้ผ่านจากความผ่องใสนี้ไปแล้วเข้าถึงวิมุตติจิตความผ่องใสนี้จะไม่ปรากฏตัวเลยนั่นทราบได้ตรงนี้อย่างประจักษ์กับผู้ปฏิบัติและคานกันได้ก็คานกันตรงนี้เพราะความจริงนั้นจะต้องจริงกับใจของบุคคลเมื่อใครทราบใครรู้ก็ต้องพูดได้เต็มปากทีเดียว ฉะนั้นจิตของพวกเรากำลังตกอยู่ในวงล้อมทำให้หวาดให้กลัวให้รักให้ชังให้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างชื่อว่าเป็นอาการของสมมุติเป็นอาการของกิเลสโดยสิ้นเชิงตัวเราเองไม่ได้พลังจิตเป็นของตนเองมีแต่พลังของกิเลสตัณหาอาสวะมันผลักมันดันอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอน แล้วเราจะหาความสุขความสบายมาจากที่ไหนเมื่อธรรมชาตินี้ซึ่งเป็นของแปรสภาพอยู่ตลอดเวลายังมายั่วยุจิตให้เป็นไปตามอีกด้วยโดยที่เราไม่รู้สึกโลกนี้จะหาความสุขที่ไหนหาไม่ได้ถ้าไม่ได้ถอดถอนธรรมชาติเหล่านี้ออกจากจิตใจโดยสิ้นเชิงเสียเมื่อไหร่จะหาความทรงตัวอยู่อย่างสบายหายห่วงไม่ได้เลย จะต้องกระดิกพลิกแปลงหรือต้องเอนโน้นเอนนี้ตามสิ่งที่มาเกี่ยวข้องยั่วยวนมากน้อยฉะนั้นท่านจึงสอนให้ชำระจิตซึ่งเป็นการชำระความทุกข์ทรมานของตนนั่นแหละไม่มีผู้ใดที่จะยังถึงหลักความจริงได้อย่างแท้จริงดังพระพุทธเจ้ามีพระองค์เดียวที่เรียกว่าสยามภู โดยไม่ต้องได้รับการอบรมสั่งสอนจากผู้หนึ่งผู้ใดเลยในการแก้กิเลสออกจากพระไทยของพระองค์ทรงทำหน้าที่ทั้งเป็นนักศึกษาทั้งเป็นครูไปในตัวลำพังพระองค์เดียวจนได้ตรัสรู้ถึงขั้นยอดธรรมะยอดคนยอดศาสนาส่วนทางสมาธิด้านความสงบนั้นท่านคงได้ศึกษาอบรมมาบ้างเหมือนกันกับดาบ ท, ทั้งสอง ไม่ปฏิเสธแต่นั่นไม่ใช่ทางถอดถอนถึงความเป็นสัพพัญญูได้เวลาจะเป็นสัพพัญญูก็เสด็จออกจากดาบททั้งสองไปบำเพ็ญลำพังพระองค์เดียวและทรงรู้เองเห็นเองโดยไม่มีครูสั่งสอนเลยแล้วนำธรรมะนั้นมาสั่งสอนโลก ว่าธรรมจากปุตชาวิสัชนาโดยหลวงตาโนรงศักขีนาลโยถามที่หลวงตาส่งข้อธรรมของหลวงปู่จวนกับหลวงตามหาบัวเมื่อวานนี้หลวงปู่จวนท่านกล่าวว่าถีติจิตเป็นจิตที่ประพัดสอนแจ้งสว่างหลวงตามหาบัวท่านกล่าวว่าประพัดสอนหมายถึงพองใส แต่น่าจะเป็นความหมายเดียวกันใช่ไหมครับแต่หลวงตามหาบัวท่านได้กล่าวเพิ่มว่าความพ่องใสนั้นแหละเป็นอวิชชานั่นหมายความว่าถีติจิตยังไม่ใช่นิพพานใช่ไหมครับถิติจิตคือจิต ด, ดั้งเดิมตั้งแต่มีจิตเกิดขึ้นมาในจักรวาลพร้อมกับอวิชชาคือความหลงยึดถือตัวมันเอง ว่าเป็นตัวตนเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเป็นของของเราเพราะความไม่รู้สัจธรรมความจริงหรืออวิชชาหรือไม่รู้จักว่าจิตเดิมแท้หรือธาตุรู้บริสุทธิ์ซึ่งไม่มีอวิชชานั้นไม่ใช่ธาตุดินน้ำลมไฟอากาศไม่ใช่อรูปฌปานเป็นวิสังขารอสังขตธาตุอสังข ต, าางตธรรมเป็นสุญญาตา ไม่มีตัวตนรูปลักษณ์ไม่มีเครื่องหมายหรือสั ญ, ญลักษณ์ใดไม่อาจมีความรู้สึกนึกคิดตรึกตรองปรุงแต่งได้ไม่เกิดดับไม่อาจถูกรู้ได้ทางอยายตนะภายในไม่มีสังขารผสมปนอยู่เลยแม่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งปรามนูนึ่งส่วนอวิชชาที่ติดมากับจิต ด, ดั้งเดิมเป็นสังขาร คือความปรุงแต่งหลงยึดถือจิตดั้งเดิมหรือถีติจิตว่าเป็นตัวตนเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเป็นของของเราครั้นเกิดปัญญาวิมุตตรู้แจ้งความจริงดังกล่าวขึ้นมาในขณะจิตใดก็จะถอนความหลงผิดคืออวิชชาดับก็จะถอนความหลงผิดที่ติดมากับทีติจิต หปือจิตดั้งเดิมจนหมดสิ้นเหลือแต่ทีติจิตบริสุทธิ์มีชื่อสมมติว่านิพพานหรือนิพพานธาตุดังนั้นจิตดั้งเดิมหรือทีติจิตแม้จะเป็นประพัดสอนเปรียบเหมือนกับแร่ทองคําแต่ก็ไม่ได้บริสุทธิ์มาตั้งแต่แรกรั้นเอาสิ่งเจือปนออกได้แก่อวิชาตันหาอุปาทาน ส่วนที่เหลือจึงเป็นธาตุบริสุทธิ์ตราบใดถ้ายัางมีความหลงคิดปรุงแต่งว่ามีเราเป็นตัวตนไม่เห็นว่าเป็นสมมุติก็ยังไม่พ้นทุกข์คือไม่นิพพานเพราะจะมีตัวเรามีกิเลสหรืออวิชชาตันหาอุปาทานแล้วจะหลงมีเราเป็นตัวตนดิ้นรนทยานอยากเพื่อให้ตัวเราได้สมใจอยาก เมื่อยังไม่สมใจอยากเสียทีความทุกข์ก็ยังไม่สิน้นไม่ใช่หลงมีเราเป็นตัวตนดิ้นรนไปจนพบนิพพานคือพ้นทุกข์แต่จะพ้นทุกข์เพราะสิ้นหลงยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราที่ติดมากับจิต ด, ดั้งเดิมจิต ด, ดั้งเดิมจึงจะบริสุทธิ์เป็นนิพพานธาตุ แต่ถ้ายังหลงยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราแม้จะดิ้นรนพยายามอยากอย่างแรงกล้าเท่าใดก็จะหลงเอาตัวเราดิ้นรนพยายามกระทาอะไรเพื่อให้ตัวเราได้รับผลประโยชน์เช่นพ้นทุกข์แต่ตราบใดถ้ายังมีอวิชชาหลงยึดถือเป็นเราตัวเราของเราอยู่จิตก็จะยังไม่บริสุทธิ์ หรือยังไม่นิพ่านความเข้าใจเรื่องจิตเดิมแท้หรือทิติภูตังปุจชาวิสัชนาโดยหลวงตาในรงศักขีนาละโย ขอโอกาสหลวงตาเมตตาอธิบายเรื่องจิตเดิมแท้อวิชชาและทิฏฐิภูมิต่างด้วยครับกราบในความเมตตาของหลวงตาครับไม่มีจิตดวงเดิมเกิดมาก่อนแล้วเกิดอวิชชามาหุ้มภายหลังจิตกับอวิชชามันเกิดขึ้นมาพร้อมกันในธรรมชาติเพราะอาวิชชาเกิดจิตจึงเกิดหรือจิตเกิดเพราะอาวิชชาเกิด และเพราะอาวิชชาดับจิตจึงดับหรือจิตดับเพราะอาวิชชาดับถ้ามีจิตดวงเดิมเกิดมาก่อนและอวิชชามาห่อหุ้มทีหลังการปฏิบัติก็จะหลงว่ามีจิตเดิมแท้เป็นดวงที่เที่ยงอย่างเป็นอมตะเมื่อหลงผิดว่ามีจิตดวงเดิมแท้ที่เที่ยงก็จะหลงยึดถือจิตเดิมแท้นั้นเป็นเราตัวเราหรือจิตของเรา และจะเห็นผิดไปว่ามีอวิชชามาหุ้มจิตของเราในภายหลังการปฏิบัติก็จะปฏิบัติไปด้วยอวิชชาคือมุ่งทำลายอาวิชชาให้ได้เพื่อให้ถึงจิตเดิมแท้ของเราที่บริสุทธิ์ถ้ามีความเห็นผิดและปฏิบัติไปตามความเห็นที่ผิดอย่างนี้นะไม่มีวันที่สิ้นอวิชชาได้จิตเดิมแท้ที่สิ้นอวิชชา เป็นธาตุรู้ตามธรรมชาติที่ไม่มีดวงไม่มีรูปร่างมันจึงเป็นเหมือนความว่างของธรรมชาติหรือจักรวาลดังนั้นเมื่อสิ้นอวิชชาแล้วจิตที่มีรูปที่เกิดมาจากการปรุงแต่งของธาตุกับอวิชชาจึงดับไปเหลือแต่ธาตุรู้แท้ซึ่งเป็นธาตุแท้ๆตามธรรมชาติจึงกลืนหายไปในความว่างของอากาศ หรือความว่างของจักรวาลไม่มีตัวเราเหลือไม่มีจิตของเราเหลือมีแต่อวิชชาดับไปเหลือแต่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศสาธาติคือความว่างในร่างกายความว่างในจิตเรามีความว่างในร่างกายและความว่างในจิตร่างจึงไม่เที่ยงเคลื่อนไหวเกิดดับได้ เพรามีความว่างในจิตจิตจึงไม่เที่ยงเคลื่อนไหวเกิดดับได้โมเลกุลหรืออะตอมหรืออนุภาคแต่ละอนุภาคจะมีความว่างให้แต่ละอนุภาคเคลื่อนไหวได้และธาตุรู้ซึ่งมีคุณสมบัติคือคล้ายกับความว่างของอากาศาธาตุแต่ไม่เหมือนกันตรงที่เป็นธาตุว่างที่มีความรู้อยู่ในตัวมันเอง เมื่อถึงคราวที่ร่างกายแตกดับคือตายจิตที่สิ้นอวิชชาจึงดับเพราะทั้งร่างกายกับจิตเกิดจากอวิชชาและธาตุต่างๆมารวมกันเมื่ออวิชชาดับจึงเหลือแต่ธาตุแท้ๆตามธรรมชาติคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุอากาศธาตุรู้ซึ่งไม่มีเราเป็นเจ้าของธาต หรือในธาตุแท้ตามธรรมชาติทุกธาตุไม่มีตัวเราของเราถ้าหลงผิดยึดถือว่าร่างกายหรือจิตหรือธาตุรู้เป็นเราตัวเราหรือของเราก็จะไม่สิ้นอวิชชาเมื่ออวิชชาดับธาตุรู้ซึ่งเป็นธาตุแท้ตามธรรมชาติซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกับธาตุอากาศที่เป็นความว่าง ต่างกันเพียงแต่าธาตุรู้ที่สิ้นหลงสิ้นอวิชชาแล้วก็จะกลืนหายไปในความว่างของอากาศในธรรมชาติหรือความว่างในจักรวาลหลวงปู่ท่านหนึ่งเคยถามหลวงปู่มั่นภูริทัตโตทํานองนี้ว่ามันมีดวงจิตที่บริสุทธิ์คือถิติภูตังแล้วอวิชชาหรือกิเลสมาห่อหุ้มในภายหลัง หลวงปู่มั่นมิสชันนาว่าถ้าท่านคิดอย่างนี้มันเหมือนกับว่าจิตเดิมแท้ทิติภูตังมันมีตัวตนว่างเปล่ามันเป็นเหมือนไหป ร, ราระที่ว่างเปล่าแล้วเพียงปฏิบัติเอาป ร, ราระหรือเอาอาวิชชาหรือเอากิเลสออกจากใจเพื่อให้ถึงใจที่ว่างเปล่าปฏิบัติถึงที่สุดอย่างไรก็จะเหลือใจที่ว่างเปล่าอยู่ เหมือนกับควักปลาร้าออกไปหมดแล้วแต่ก็ยังเหลือหาปลาร้าให้สงวนรักษาไว้แล้วจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรท่านกล่าวว่าจิตเดิมแท้หรือทิฏฐิภูตังไม่ได้เป็นความบริสุทธิ์ที่สิ้นอวิชชามาตั้งแต่แรกมันมีอวิชชาผสมมาตั้งแต่แรกมันจึงมีตัวจิตเมื่อสิ้นอวิชชาจึงไม่มีตัวจิต ผู้ถามกล่าวว่าไม่เป็นไรครับสิ้นสงสัยดีกว่าครับเกรงใจหลวงตามากๆครับจะน้อมพิจารณาในคำอธิบายของหลวงตาให้ถึงใจครับผมหลวงตาตอบว่าอย่าสิ้นสงสัยดีกว่าเพราะเกรงใจหลวงตาเพราะเมื่อจิตไม่เกิดปัญญารู้แจ้งจนถึงใจจิตเขาจะไม่สิ้นหลงผิดให้เป็นอวิชชาปนอยู่ในจิต และไม่ยอมปล่อยวางความหลงยึดถือทิฏฐิภูตังคือธาตรู้ตามธรรมชาติที่มีอวิชชาปนมาแต่แรกเรียกว่าใจหรือจิตหรือวิญญาณธาตุหรือธาตรู้หรืออื่นๆที่มีอวิชชาเมื่อสิ้นอวิชชาก็เป็นทิฏฐิภูตังหรือธาตรู้ตามธรรมชาติเดิมนั้นนั่นแหละแต่เมื่อธาตุขันยังไม่แตก คือยังไม่ตายใจหรือจิตหรือวิญญาณธาตุหรือธาตุรู้เป็นต้นนั้นที่มีอวิชชาเดิมแต่กลายเป็นธาตุรู้ตามธรรมชาติที่ไม่มีอวิชชาแล้วเขาเลยสมมุติชื่อใหม่ว่าจิตเดิมแท้ใจที่บริสุทธิ์หรือพุทธะหรืออื่นๆแล้วแต่จะสมมุติเรียกชื่อใหม่ให้แตกต่างจากธาตุรู้หรือจิตหรือใจที่มีอวิชชาปน ขอยกตัวอย่างดังนี้คนสามัญชนที่สวมรองเท้าเกิดได้เป็นพระราชาแต่ก็ยังคงสวมรองเท้าคู่เดิมรองเท้านั้นก็จะถูกสมมุติเรียกชื่อเปลี่ยนใหม่ว่ารองพระบาทส่วนคนสามัญชนสมมุติชื่อใหม่ว่าพระราชาหรือกษัตริย์เป็นต้นกรณีเช่นเดียวกัน ปุทุชนที่ยังมีกิเลสเปรียบได้กับสามัญชนที่ต่อมาได้เป็นพระราชานั้นส่วนรองเท้าเปรียบเหมือนจิตหรือทิติภูตังหรือชื่ออื่นๆที่มีอวิชชาปนต่อมาปุทุชนนั้นสิ้นกิเลสเพราะสิ้นอวิชชาปุทุชนนั้นก็มีชื่อสมมุติเรียกใหม่ว่าพระอระหรันต์ ส่วนจิตหรือาธาตุรู้ตามธรรมชาตินั้นก็มีชื่อสมมุติเรียกใหม่ว่าพุทธะหรือจิตเดิมแท้หรือจิ ต, ท, จตที่บริสุทธิ์หรือธรรมาธาตุหรือชื่ออื่นๆเป็นต้นซึ่งพระราชาก็มาจากสามัญชนคนนั้นพระอรหันต์ก็มาจากปุถุชนคนนั้นส่วนรองพระบาทก็มาจากรองเท้าคู่เดิมของสามัญชน จิตเดิมแท้หรือธรรมาธาตุหรือพุท ธ, ธะเป็นต้นก็มาจากจิตหรือาธาตุรู้ที่มีอวิชชานั้นผู้ถามกล่าวว่าด้วยเหตุนี้มันจึงมาพร้อมกับอวิชชานั่นเองใช่ไหมครับหลวงตาแต่ผมไม่ลงแกะใจว่าเขาคือพ่อแม่ของอวิชชา หลวงตาตอบว่าทิติภูตังหรือจิตในชื่อต่างๆนั้นเป็นพ่อแม่ของอวิชชาก็เพราะถ้าไม่มีทิติภูตังหรือทิติจิตหรือในชื่อจิตอื่นๆนั้นก็จะไม่มีอวิชชาดังนั้นท่านจึงกล่าวว่าทิติภูตังเป็นพ่อแม่ของอวิชชา เพราะมันเป็นธรรมชาติของปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัิปัจจยตาหรือปัจจยากาลคือเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีหรือเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีหรือเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับถ้าจิตไม่เกิดอวิชชาก็ไม่เกิดหรืออวิชชาไม่เกิด จิตก็ไม่เกิดหรือจิตดับอวิชาก็ดับหรืออวิชาดับจิตก็ดับ